โซตาปฏิยังคะข้อที่ห้าปัญญาแปลว่าความรู้ทั่วหรือรู้ชัดได้แก่ความเข้าใจความอย่างรู้เหตุผลหรือความรู้ประเภทจำแนกแยกโยงวิจัยจัดแจงสามารถวินิจฉัยได้ว่าจริงเท็จดีชั่วถูกผิดควรไม่ควรคุณโทษประโยชน์มิใช่ประโยชน์ รู้ความสัมพันธ์ระหว่างเหตุและผลหรือปัจจัยต่างๆรู้ภาวะตามเป็นจริงของสิ่งต่างๆรู้ว่าจะนำไปใช้หรือปฏิบัติอย่างไรจึงจะแก้ปัญหาได้หรือให้สาเร็จผลที่มุ่งหมายเป็นความรู้ระดับเข้าถึงใช้งานหรือแก้ปัญหาแต่ในที่นี้ท่านหมายถึงเฉพาะความรู้ที่จะใช้แก้ปัญหาชีวิตของมนุษย์คือดับทุก หรือพูดอีกอย่างหนึ่งว่าความรู้ที่จะทำให้รู้จักดาเนินชีวิตให้ถูกต้องดีงามไม่ให้เกิดปัญหาไม่ให้เป็นที่มาของทุกข์ปัญญาในความหมายนี้มีวิธีพูดได้หลายแง่หลายด้านเช่นว่าความเข้าใจโลกและชีวิตตามความเป็นจริงหรือรู้อริยสัจหรือมองเห็นปฏิจจสมุปบาท หรือความคิดเหตุผลที่ไม่ถูกนิวรณ์ห้าครอบงำหรือที่ท่านแสดงไว้เป็นความหมายของปัญญาสัมปทาในฐานะคุณสมบัติของอริยส า, าวกว่าปัญญาที่ยังถึงความเกิดขึ้นและความเสื่อมสิ้นไปหรือรู้เท่าทันคติธรรมดาของโลกและชีวิตเช่นเกิดแก่เจ็บตายความเจริญและความเสื่อมอันเป็นอริยะทะลวงกิเลส หรือเจาะสัจธรรมได้อันจะให้ถึงความสิ้นทุกข์โดยชอบแต่ไม่ว่าจะบรรยาโดยสํานวนความอย่างใดก็มีสาระสําคัญอย่างเดียวกันไม่ว่าใครจะมีโลกิยะปัญญายักเยืองแก่กล้าแตกต่างกันออกไปอย่างใดซึ่งทําให้เป็นผู้เก่งกล้าสามารถในการดําเนินกิจการต่างๆในโลกเช่นโดดเด่นในการเมืองรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจ เป็นนักประดิษฐ์เชี่ยวชาญประยุกตาวิทยาหรือเป็นนักค้นคว้าและค้นพบทางวิทยาศาสตร์แต่ความรู้ที่ขาดไม่ได้หรือจำเป็นสำหรับทุกคนในการที่จะแก้ปัญหาชีวิตของตนหรือที่จะดาเนินชีวิตอยู่ด้วยดีก็คือปัญญาที่เป็นคุณสมบัติของอริยส า, าวกนี้อย่างไรก็ดีความรู้ประเภทสุตตะก็เป็นอุปกรณ์สำคัญของปัญญา ซึ่งทำให้ปัญญาได้ข้อมูลที่จะนำไปใช้และสร้างความเข้าใจได้ชัดเจนกว้างขวางยิ่งขึ้นสุดตะจึงเป็นปัจจัยแก่ปัญญาด้วยไม่เฉพาะแต่สุดตาทางธรรมะเท่านั้นที่เป็นปัจจัยแก่ปัญญาของอริยสาวกได้แม้สุดตาทางโลกก็เป็นปัจจัยแก่ปัญญาทางธรรมได้โดยเฉพาะประสบการณ์ชีวิตเพราะผู้ที่รู้จักคิด คือโยนิโสมณสิการอาจเกิดปัญญาเข้าใจโลกและชีวิตได้จากสุดตะในวิชาการและอาชีพต่างๆที่ตนประกอบแต่เมื่อกล่าวยังรวบยอดสําหรับการดําเนินชีวิตที่ดีงามหรือความก้าวหน้าในธรรมความสําเร็จเด็ดขาดอยู่ที่ปัญญาบางคนมีสุดตะมากแต่ไม่รู้จักคิดก็หาเกิดปัญญาไม่ และไม่สามารถใช้สุดตาให้เป็นประโยชน์บางคนมีสุดตาเพียงเล็กน้อยจนแทบไม่ต้องพูดถึงแต่มีปัญญามากรู้จักคิดก็รู้จักดาเนินชีวิตที่ดีแก้ปัญหาได้สําหรับผู้มีปัญญายิ่งมีสุดตามากปัญญาก็ยิ่งทำการสาเร็จประโยชน์มากแต่ถึงขาดแคลนสุดตะก็อาจทำประโยชน์ให้สาเร็จได้ ในการแสดงคุณสมบัติของอริยส า, าวกจึงมีหลายครั้งที่ปรากฏว่าเมื่อจะต้องลดจำนวนข้อลงให้เหลือเพียงสี่เอาไว้แต่ที่จำเป็นมากกว่าท่านจึงลดสุดตาออกไปเหลือเพียงศรัทธาศีลจาคะและปัญญาอันหนึ่งปัญญาไม่เพียงแต่ให้ความสำเร็จแก่สุดตาเท่านั้น แต่เป็นฐานรองรับและให้ความถูกต้องแก่คุณสมบัติข้ออื่นๆทั้งหมดปัญญาทำให้ศรัทธาเป็นศรัทธาที่ถูกต้องตามหลักไม่ผิดพลาดกลายไปเป็นความงมงายปัญญาทำให้ประพฤติศีลได้ถูกต้องเป็นศีลที่อริยชนชื่นชมยอมรับอย่างที่เรียกว่าอริยกันตศีลไม่กลายไปเป็นศิลปตาปรามาต ปัญญาทำไม่มีจาคะที่เป็นความสละแท้จริงได้เพราะถ้าไม่มีปัญญาที่จะเข้าใจโลกและชีวิตตามความเป็นจริงยังไม่มองเห็นสภาวะที่แท้และคติธรรมดาของสิ่งทั้งหลายและยังไม่ได้เรียนรู้เกี่ยวกับความสุขที่ประนีด ย, ยิ่งขึ้นไปกว่าแล้วก็ย่อมเป็นธรรมดาที่จะต้องให้คุณค่าแก่วัตถุ ก, การมเป็นอย่างสูงยากที่จะไม่หลงไหลปรารถนามากขึ้นไปในโลกียสุข และจึงยากที่จะทำการสละออกไปโดยไม่หวังผลได้ตอบแทนเป็นกามคุณหรือเป็นความเป็นความมีในรูปใดรูปหนึ่งโดยในยะนี้ปัญญาจึงเป็นแกนและเป็นตัวคุมคุณสมบัติอื่นเป็นคุณสมบัติหลักของอริยส า, าวกและเป็นจุดมุ่งของการฝึกอบรมตนของอริยส า, าวกต่อๆไป สรุปว่าคุณสมบัติที่เป็นหลักแท้มีสี่อย่างคือศรัทธาศีลจาระและปัญญา 1. สศรัทธาความเชื่อความมั่นใจในปัญญาคุณธรรมและความเพียรพยายามของมนุษย์ซึ่งทำให้สามารถเข้าถึงความจริงความดีงามสูงสุดได้ตามกฎธรรมดาแห่งเหตุและผลดังได้มีท่านผู้นำทางไว้ และซึ่งจะทำให้มนุษย์สร้างสังคมที่ดีงามอันดำรงอยู่โดยธรรมได้ 2. สศีลการรู้จักบังคับควบคุมตนได้ซึ่งทำให้ความเป็นอยู่พฤติกรรมและลักษณะความสัมพันธ์กับผู้อื่นและสภาพแวดล้อมของบุคคลนั้ น, น, นๆเกิดความเหมาะสมพอดีที่จะเกื้อกูลแก่ความเจริญงอกงาม แห่งคุณธรรมของตนและความอยู่ร่วมกันด้วยดีของสังคม 3. จาคะความสละที่ทำให้มิตรศรินหรือคิดการต่างๆเข้าข้างตนเองและทำให้พร้อมที่จะเอเื้อเฟื้อเกื้อกูลแก่ผู้อื่น 4. ปัญญา ความรู้ตระหนักเท่าทันถึงความจริงของสิ่งทั้งหลายที่เป็นไปตามกฎธรรมดามีความเกิดขึ้นเสื่อมสิ้นไปตามเหตุปัจจัยของมันซึ่งทำให้วางใจวางท่าทีต่อสิ่งต่างๆได้ถูกต้องโดยมีจิตใจหลุดพ้นเป็นอิสระสามารถวินิจฉัยแยกการอันควรมิควรทำกำหนดความพอเหมาะพอดีและการที่จะใช้หรือพัฒนาต่อไปของคุณธรรมอื่นๆทั้งหมด อย่างเหมาะสมส่วนสุตตะไม่ว่าจะเป็นความรู้ที่มาในรูปของคำแนะนำชี้แจงคำกระตุ้นชักจูงตักเตือนหรือการเล่าเรียนก็ตามย่อมเป็นเครื่องช่วยเสริมคุณธรรมทั้งสี่ให้เจริญงอกงามยิ่งขึ้นปฏิบัติต่อโลกและชีวิตได้ผลดียิ่งขึ้นแต่จะเป็นสิ่งที่ต้องการมากน้อยเพียงไร และสำเร็จประโยชน์แค่ไหนยอมสัมพันธ์กับความรู้จักคิดของผู้นั้นในที่สุดขอย้อนกลับไปย้ำความสำคัญของศรัทธาที่เป็นคุณสมบัติข้อแรกอีกครั้งหนึ่งโดยฐานเป็นคุณสมบัติจำเป็นยิ่งในขั้นตน้นสิ่งที่ต้องการให้สังเกตก็คือดังเด็กกล่าวแล้วข้างตน้น ในการบรรยายความหมายของศรัานั้นตามปกติท่านแยกออกเป็นสามอย่างคือศรัทธาในพระพุทธเจ้าในพระธรรมและในพระสงฆ์แต่บางคราวเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อแสดงศรัทธาของอริยสาวกตั้งแต่แรกเริ่มก่อนเป็นโสดาบันท่านแสดงศรัทธาเจาะจงลงไปแง่เดียวว่าเชื่อโพธิคือปัญญาตรัสรู้ของตถาคตว่าด้วยเหตุผลดังนี้ดังนี้ พระผู้มีพระภาคนั้นเป็นพระอรหันต์และอื่นๆจนถึงเป็นพระผู้ทรงพระเจริญศรัทธาตามคำบรรยายนี้ท่านเรียกสั้นๆว่าตถาคตโพธิศรัทธาความเชื่อปัญญาตรัสรู้ของพระตถาคตหรือเชื่อปัญญารู้สัจธรรมของพระผู้ทรงคนพบซึ่งดังที่ได้กล่าวแล้วว่าหมายถึงความเชื่อความมั่นใจในพระปริชาญาของพระพุทธเจ้า ในฐานะที่ทรงเป็นต้นแบบหรือองค์แทนหรือผู้นําของมนุษย์ทั้งหลายที่ยืนยันถึงสมรรถวิสัยของมนุษย์ทั้งหลายว่ามนุษย์สามารถอย่างรู้สัจธรรมเข้าถึงความดีงามสูงสุดได้ด้วยสติปัญญาและความเพียรพยายามฝึกฝนพัฒนาตนเองทั้งนี้ดังคําอุปมาที่พระพุทธเจ้าตรัสเรียกพระองค์เองว่าทรงเป็นลูกไก่ตัวพี่ที่เจาะทําลายเปลือกไข่ คืออาวิชาออกมาได้หรือทรงเป็นผู้ค้นพบทางเก่าและทรงชี้นำทางนั้นแก่หมู่ชนที่จะได้ดำเนินไปให้ถึงตามการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าก็คือการประกาศยืนยันความสามารถนี้ของมนุษย์ทั้งหลายและดังนั้นตถาคตโพธิสัต tha คือความเชื่อในปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า ก็คือความเชื่อความมั่นใจในปัญญาที่จะยังรู้สัจธรรมของมนุษย์หรือความเชื่อความมั่นใจในความสามารถของมนุษย์นั่นเองเมื่อพูดให้สั้นเข้าอีกตถาคตะโพธิสัตาส a แสดงถึงความเชื่อความมั่นใจในตนเองของมนุษย์ทุกๆคนความมั่นใจตนเองในที่นี้ไม่ใช่ความเชื่อตนเองอย่างเห็นแก่ตัวหรืออย่างมีมานะอหังการ แต่หมายถึงความมั่นใจตนเองในฐานะที่เป็นมนุษย์คนหนึ่งหรือความมั่นใจในความเป็นมนุษย์ของมนุษย์นั่นเองและมีใช่ความยึดมั่นวางใจในปัญญาของตนเพียงเท่าที่มีอยู่ในขณะนั้นๆแต่หมายถึงความเชื่อในปัญญาของมนุษย์อย่างเป็นกลางๆพูดอย่างสมัยใหม่ว่าเชื่อในศักยภาพแห่งปัญญาของตน ในฐานะที่เป็นมนุษย์คนหนึ่งว่าสามารถพัฒนาฝึกปรือจนได้ผลดีที่สุดพอแก่ความต้องการของมนุษย์การที่พระพุทธเจ้าทรงใช้คําว่าตถาคตในตถาคตโพธิสถานนี้ก็เป็นข้อที่น่าสังเกตอย่างหนึ่งเพราะคำแทนองค์พระพุทธเจ้ามีหลายคําแต่ละคําก็มีความหมายเน้นคุณลักษณะหรือนยาที่ต่างกันไป ในกรณีนี้ทรงใช้คำว่าตาคตซึ่งตรงกับที่ทรงใช้ในกรณีที่กล่าวถึงกฎธรรมชาติว่าเป็นสิ่งที่มีอยู่ตามธรรมดาของมันเองไม่ว่าตาคตทั้งหลายจะเกิดขึ้นหรือไม่แต่ตาคตเป็นผู้ค้นพบและนำมาประกาศเปิดเผยนอกจากนั้นคําว่าตาคตซึ่งใช้ในที่หลายแห่งท่านแปลาว่าสัตว นักศึกษาที่สนใจอาจค้นคว้าเปรียบเทียบโพธินี้กับพุทธภาวะของฝ่ายมหายานในข้อที่ว่าปัญญาของมนุษย์มีขอบเขตรหรือไม่ไม่เป็นปัญหาในที่นี้เพราะปัญญามนุษย์ที่ฝึกเบื่อดีแล้วย่อมเป็นปัญญาสูงสุดเท่าที่จะมีหรือเป็นไปได้ถ้าปัญญานั้นมีขอบเขต ก็ไม่มีหลังปัญญาเหนือกว่าใดๆอีกที่จะมาเสริมเติมแก่ปัญญามนุษย์นั้นได้ซึ่งจะพึงหันไปมัวหวังรออยู่แม้แต่ปัญญาของเทพเจ้าสูงสุดก็เป็นเพียงปัญญาที่มนุษย์ปรุงถวายดูทัศนะเรื่องนี้ในเกวัตสูตรที่คันิกายศิลขันทวักและพรมนิมันตนิกสูตรในมัชฌิมานิายมูลปัญนาธ พระพุทธเจ้าทรงเป็นมนุษย์คนแรกที่ประกาศยืนยันความสามารถอันนี้ของมนุษย์ทรงเป็นบุคคลแรกที่ไม่ทรงอ้างอนุภาพหรือแรงดลบรรดาลของเทพหรืออำนาจสูงสุดใดๆจึงทรงเป็นเครื่องหมายหรือสั ญ, ญลักษณ์แห่งความเชื่อมั่นใจในตนเองของมนุษย์ทั้งหลายในทางปฏิบัติตถาคตตโพธิสัตยายอมครอบคลุมถึง ศรัทธาในพระรัตนตรัยครบทั้งสามอย่างพร้อมในตัวในเวลาเดียวกันคือเชื่อว่ามนุษย์มีปัญญาที่สามารถพัฒนาขึ้นไปจนแก้ปัญหาขั้นสุดท้ายของตนลุถึงอิสรภาพสูงสุดและความสุขที่สมบูรณ์ได้ดังที่องค์พุทธะทรงทำให้พระจักเป็นต้นแบบนำทางไว้เชื่อว่าหลักการและจุดหมายที่มนุษย์จะพัฒนาไปให้ถึงได้นั้นเป็นความจริง ที่ดำรงอยู่ตามธรรมดาแห่งเหตุและผลและเชื่อว่าได้มีบุคคลทั้งหลายที่พัฒนาตนดำเนินตามจนสำเร็จผลเช่นนั้นเกิดเป็นชุมชนมนุษย์ที่ประเสริฐเป็นพยานยืนยันความจริงเป็นแหล่งเผยพระธรรมแผ่ขยายบุญพร้อมที่จะหนุนนำผู้เข้าร่วมสมทบได้ทันทีในเมื่อตถาคตโพธิที่ศัทธามีความหมายอย่างนี้ ศรัทธาจึงเป็นธรรมะสำคัญยิ่งแม้ในพุทธศาสนาซึ่งเป็นศาสนาแห่งปัญญาแต่ก็ยอมเห็นได้ชัดว่าศรัทธานี้มีความหมายต่างจากที่เห็นกันทั่วๆไปคือเป็นศรัทธาในปัญญาและเป็นศรัทธาเชื่อมต่อปัญญาหรือนำไปสู่ปัญญาไม่เป็นศรัทธาที่งมงายแต่เป็นศรัทธาที่ทาให้หายงมงายและเป็นสิ่งจาเป็นในตอนต้น ก่อนที่จะบรรลุผลแห่งความสามารถของตนหรือก่อนที่ปัญญาจะบริบูรณ์เท่านั้นอันหนึ่งในที่นี้จะเห็นความสำคัญสูงสุดของศรัทธาในพระรัตนตรยัยหรือตถาคตโพธิศรัทธาอย่างน้อยสองประการคือประการแรกหลักธรรมทั้งหมดในพระพุท ธ, ธศาสนา ไม่ว่าจะเป็นคําสอนเกี่ยวกับจุดหมายสูงสุดหรือข้อปฏิบัติใดๆก็ตามล้วนตั้งอยู่บนพื้นฐานแห่งหลักการนี้ทั้งสิน้นคือหลักการแห่งตถาคตโพธิที่ยืนยันว่ามนุษย์สามารถตรัสรู้สัจธรรมและเข้าถึงความดีสูงสุดด้วยปริชาญาณและความเพียรพยายามฝึกตนของมนุษย์เองและในการนี้ไม่มีแหล่งอานาจสูงสุดภายนอกใดๆ ที่จะทำได้ดียิ่งกว่าหรือเกินกว่ามนุษย์ถ้าหลักการเหงตถาคตโพธินี้ไม่เป็นจริงแล้วจุดหมายและระบบปฏิบัติทั้งปวงในพระพุทธศาสนาก็ย่อมเป็นโมฆะทั้งสิน้นคำสอนต่างๆก็จะกลายเป็นสิ่งไร้ความหมายไปทั้งหมดประการที่สอง สำหรับผู้ปฏิบัติถ้าสาวกหรือศาสนิกไม่มีความเชื่อมั่นในหลักการแห่งตถาคตโพธินี้เขาก็ไม่อาจก้าวหน้าไปในมรรคาของพระพุทธศาสนาได้พูดอีกอย่างหนึ่งว่าเขาจะลงมือปฏิบัติธรรมต่างๆในพระพุทธศาสนาอย่างจริงจังได้อย่างไรว่าที่แท้ก็คือเขาไม่อาจเป็นสาวกหรือศาสนิก แห่งพระพุทธศาสนาได้นั่นเองตถาคตโพธิสัทธาจึงเป็นคุณสมบัติที่จำเป็นของอริยส า, าวกและของชาวพุทธทุกๆคนด้วยประการชนีข้อนาสังเกตอย่างยิ่งในตอนนี้คือในสมัยหลังได้เกิดมีคำสอนเรื่องสัทธาสี ขึ้นในพระพุทธศาสนาคือหนึ่งกรรมสัทธาเชื่อกรรม 2. วิปากาสัทธาเชื่อผลของกรรม 3. กรรมสกตาสัทธาเชื่อความที่สัตมีกรรมเป็นของตน 4. ตถาคตะโพธิสัทธา เชื่อปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าศรัทธาสีที่เป็นชุดอย่างนี้ไม่มีในส่วนใดของพระไตรปิฎกหรือแม้แต่ในอัตถกะถาใดๆเลยนอกจากตถาคตโพธิศรัทธายัางเดียวซึ่งตั้งรูปศัพท์ขึ้นมาจะข้อความในบาลีว่าสัทธาหากคติตถาคตสะโพทิงเท่ากับตถาคตบวกโพธิบวกศรัทธา ดังได้อธิบายแล้วการที่มีเป็นชุดหรือเป็นหมวดขึ้นเกิดจากการเก็บรวบรวมอาธรรมะข้อนั้นข้อนี้จากที่นั่นบ้างที่โนนบ้างมาผสมกันแต่ก็ไม่มีในรูปสาบอย่างนั้นจริงเช่นรูปสาบว่ากรร ม, มสักตาศรัทธาไม่มีมีแต่กรร ม, มสักตญาณ ในพระสูตรยุคตน้นมีแต่กรร ม, มสกตาส่วนในชั้นอัตกถามีเพิ่มเป็นกรร ม, มสกตาปัญญาบ้างกรร ม, มสกตาทิฐิบ้างเป็นตน้นแต่ล้วนเป็นเรื่องของปัญญาทั้งสิน้นส่วนกรร ม, มสัทธาและวิปากศัทธาเป็นสาบที่ผูกขึ้นโดยถือตามหลักคําสอนเกี่ยวกับกรรมซึ่งโดยมาก มาในเรื่องทิฏฐิคือมิจฉาทิฏฐิและสัมมาทิฏฐิเช่นในมัชฌิมานิกายมูลปันนาแต่รูปศับอย่างนั้นโดยตรงไม่มีแม้แต่ที่แปลกันว่าเชื่อกรรมในองคุณของอุบาสกหรืออุบาสกธรหม5ประการคำบาลีจากอังคุจารานิกายปัญจการนิบาทที่เอามาแปลก็เป็นกำมังปฏเจติซึ่งมีความหมายว่า มุ่งกรรมคือมุ่งความสำเร็จผลด้วยการกระทาไม่มุ่งหามงคลอย่างไรก็ดีการศึกษาเรื่องนี้อาจเป็นประโยชน์ในการสืบสาววิวัฒนาการแห่งทัศนะและวัฒนธรรมของพระพุทธศาสนายุคหลังพุทธกาล